ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาสุดตามยักษ์ปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยักษ์ปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควนทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนอะไรเว่าจินตามยักษ์ปัญญาภาวนามยัษ์ปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบ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 ส่วนสุตมยะปัญญาจินตามะยะปัญญาเป็นปัญญาทั่วๆวไปนะแต่ภาวนามยะปัญญา เ, เป็นปัญญาของพระอริยสงสาวกที่ท่านตัดกิเลส อ, ออกจากจิตใจของท่านได้อ น, นีเรียกว่าภาวนามยปัญญาเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าไม่ได้ยินได้ฟังสะก่อน เ, อเราก็จะแยกแยะไม่ออกว่าไหนควรไม่ควรอย่างไรนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุ ก, ท, กท่าน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 เมื่อพ่อแม่แก่เท่าชะลาพวกเราก็ไม่ได้ดูแลพ่อแม่นีเรียกว่าบุคคลผู้มีอุปกรณะเป็นเราถือว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปกระก่อนพวกเราควรจะแสดงความปิตันอยู่ปตวเวทิตาอย่างไรต่อผู้มีอุปกร ะ, ระคุณสําหรับพวกเราอันนี้คือหลักคำคำสอนคาสอนของพุท ธ, ธะในการในเมื่อ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 อันนี้ก็คือเราหลวงพ่อพูดให้ประเด็นให้ฟังเป็นข้าวเาวนะะตามไม่จริงจะอธิบายให้ฟังในรายละเอียดก็คงจะยืดยาวทีเดียวเพะฉะนั้นวันนี้ก็เห็นว่าพวกคณะสัตยา ญ, ญาติโดย ก, กฟังตื่นตื่นมาแล้วแต่องต่อไปก็คงจะเป็นหลวงปู่ใหม่จะได้แสดงให้ฟังยืดยาวผู้ที่จะฟังก็คงจะฟังให้ยืดยาวต่อไปพหลวงพ่อลงมาจากอุดรเดินทางระยะทางมา